รวมสิกขาบทที่มีในอเจละกาวัคหนึ่อเจละกะสิกขาบทว่าด้วยนักบวชเปลือย 2. องอุยโยชนะสิกขาบทว่าด้วยการส่งกลับ 3. สะโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงในที่ที่มีคนสองคน 4. ีระโหปติชนะสิกขาบท ว่าด้วยการนั่งในที่ลับที่มีสิ่งกำบังหพระโหนิสัชชะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่ลับ 6. จาริตะสิกขาบทว่าด้วยการเที่ยวสัญจรไป 7. มหานามสิกขาบทว่าด้วยพระเจ้ามหานามสักยบุตร 8. อุ ย, ยุตเตเสนาสิกขาบท ว่าด้วยกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบเก้าเสนาวาส ศ, ศิกขาบทว่าด้วยการพักอยู่ในกองทัพ 10. อุยโยทิกะศิกขาบทว่าด้วยการไปสู่สนามรบ